วันนี้พวกเราก็ได้มาวัดกันอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อเข้าหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองรักษาใจของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆพอใจเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมียารักษาร่างกายแลไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปรับอยู่รับยา มาเพื่อระงับอาการไม่สบายของร่างกายจิตใจก็มีอาการไม่สบายเหมือนกันเวลาเราไม่สบายใจเวลาเราเศร้าใจเสียใจเราก็ต้องมีธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมะโอสดธรรมะนี่ก็เป็นโอสถ เป็นยารักษาใจให้หายจากความไม่สบายใจต่างๆธรรมะก็มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันชนิดที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีก็อาจจะมี เหตุการณ์มีการกระทบกระทั่งกันมีอะไรต่ออะไรกันถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะวุ่นวายใจถ้าเรามีธรรมะเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะสบายใจธรรมะที่เราควรจะมีต่อกันละกัน คืออยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องมีธรรมะต่อปฏิบัติธรรมต่อกันละกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราใช้เวลาที่เราพบปะกันก็คือพรหมวิหารสีพรหมวิหารสีคืออะไรคือหนึ่งเมตตาสองกรุณา สามมุติตาสี่อุเบกขานี่คือธรรมะที่จะคุ้มครองรักษาใจของพวกเราให้อยู่อย่างมีความสุขเวลาที่เราต้องพบปะกันต้องเกี่ยวข้องกันนี่คือธรรมะที่เราควรที่จะ จเจริญกันสร้างกันขึ้นมามข้อแรกคือเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าการมีความปรารถนาดีต่อกันไม่ตีจิตมีไม่ตีจิตต่อกันมองฟ้องกันว่าเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูกันมไม่ว่า จะเป็นใครก็ตามต้องมองให้ว่าเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนอะไรก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่เองพวกเราทุกคนนี้เป็นเพื่อนกันร่วมเดินทางกันเดินทางในการเกิดแก่เจ็บตายกันซึ่งมีซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับพวกเรามากพอสมควรอยู่แล้ว ไม่มีเราไม่ควรที่จะเพิ่มความทุกข์ให้แก่กันละกันเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรได้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ถ้าเรามีความเมตตาต่อกันละกันการมีเมตตานี้ทำอย่างไรถึงจะเกิดให้มีการเมตตาขึ้นมา ก็ต้องเกิดจากการศึกษาวิธีแผ่เมตตาว่าเราจะต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันและกันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเมตตานี้มสีสี่คุณลักษณะด้วยกันหนึ่งคืออเวราโหนตุแปลว่าไม่มีเวรกรกันสองอับยาปัชาโหนตุ ไม่เบียดเบียนกันสาอดีคาโหนตุไม่ให้ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันสสุขีอัตานังปริหารันตุให้ความสุขต่อกันให้ความสุขกายสุขใจต่อกันและกันนี่คือบทสวดแผ่เมตตา ที่เรานิยมสวดกันเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือเวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็มักจะสวดบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอับยาปชาโหนตุสัพเพสัตต า, นาอนิกาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอ ต, ตานังปะลิหะรันตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรกันเถิดจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดจงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิดจงมีความสุขรักษาตนเถิด น, นี่เป็นบทแผ่เมตตาบทสวดแต่การสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำํำแต่ก่อนที่เราจะกระทํา แผ่เมตตาด้วยการกระทำได้เราต้องรู้จักวิธีของการแผ่เมตาก่อนเราจึงต้องสวดกันก่อนออการสวดนี้เป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจให้รู้ว่าเราต้องมีความเมตตาต่อกันละกันแล้วเวลาที่เราพบปะกันนั่นแหละเป็นเวลาที่เรา ต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันละกันถ้าเราพบปะกันอยู่ร่วมกันทำอะไรร่วมกันอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาอาจจะพูดหรือทำอะไรให้เกิดความเสียหายต่อกันละกันแทนที่เราจะอาฆาตพยาบาทกันโกรธเปลียดกันเราก็ต้องให้อภัยกัน ไม่จองเวรจองกรรมกันนี่คือเอาเวลาหุนตุคืออย่าไปมีเรื่องมีราวกันอยู่ร่วมกันก่อนที่จะมีเรื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรรักกันดีแต่พอมมีเรื่องอะไรขึ้นมาบางทีเราอยากได้อะไรแล้วเขาไปเอาก่อนเราอย่างนี้เขาไปหยิบของสิ่งเดียวกับที่เราอยากได้ เราก็จะโกรธเขาขึ้นมาทันที yeah. เพราะว่าความอยากมันจะทำให้เราโกรธเวลาที่เราไม่ได้อะไรที่เราอยากได้เ yeah. yeah. <Yeah. S 1> พราะเราโกรธก่อนที่เราจะโกรธเราก็เป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกัน <Yeah. S 2> พอเกิดความโกรธขึ้นมานี้กลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาทันทีดังนั้นะพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราต้องเอาความเมตตา มาทำลายความโกรธเพราะถ้าความโกรธดับไปความมาฆ่ายพยาบาทดับไปความจองเวรดับไปการเป็นมิตรก็กลับมาเหมือนเดิมอ่านนี่คือลักษณะของอเวราโหรตุการไม่มีเวนกันอย่าไปมีเวนกันอย่าไปโกรธไปเกลียดกันอย่าไปจองเวนจองกรรมกัน ให้อภัยกันือให้คิดว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันเราอยู่ร่วมกันบางครั้งก็มีการผิดพลาดอฟันก็ไปขบลิ้นได้ไปขบแล้วก็ไม่ควรที่จะไปตัดลิ้นทิ้งหรือไปถอนฟันทิ้งเพราะว่ายังต้องอาศัยทั้งลิ้นทั้งฟันเราไม่ควรทําลายกันเพราะเรายังต้องอยู่ร่วมกันในโลกนี้ะ เพราะทุกคนรักชีวิตไม่ต้องการสูญเสียชีวิตเราสามารถอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่างลมเย็นเป็นสุขถ้าเรารู้จักการแผ่เมตตานี่เองนี่คือลักษณะข้อที่หนึ่งของการแผ่เมตตาคืออเวลาโหนตุอย่าจองเวรกัน พอจองเวรแล้วมันจะยาวมันจะจองเวรกันไปทีเรื่อยเขาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาเขาก็กลับมาทําร้ายเราเราก็กลับไปทำร้ายเขาเราจะทําอย่างนี้จองเวรกันไปข้ามภพข้ามชาติเคยสังเกตได้ว่าเวลาเราเกิดในโลกนี้เวลาเราพบคนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ทำไมบางทีเรารู้สึกว่าไม่ชอบเขาเลยนั่นแหละแสดงว่าเรามีเวรกันมาก่อนในชาติก่อนเคยโกรธเคยเกลียดกันพอมาเจอกันชาตินี้ก็ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทำไมไปเกลียดเขาเสียแล้วนั่นแหละมันฝังอยู่ในใจเราเราจําได้ไม่ได้จําที่หน้าตาแต่จําที่ อยู่จำที่กิริยาอาการการแสดงต่างๆนี้มันเหมือนเดิเหมือนคนเดิมเวลาจิตตายเวลาร่างกายตายไปจิตทิ้งร่างกายนี้ไปได้ร่างกายอันใหม่จิตก็ยังมีกิริยาอาการเหมือนเดิมมีร่างกายอันใหม่ก็ยังจะอะแสดงกิริยาการแบบเดินออกมาอยู่ เหมือนกับคนที่ขับรถเนี่ยคนเคยขับรถอย่างไรถึงแม้จะเปลี่ยนรถกก่ดทันการขับรถก็จะเป็นเหมือนกันคนเราจะดูได้จากกิริยาการเวลาเราเจอกันเราจึงทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราจะมีความรู้สึกสามแบบด้วยกันต่อกันละกันแบบที่หนึ่งก็คือไม่ชอบเจอแล้วก็ไม่ชอบคนแบบนี้ อีกอย่างอีกอี ก, อ, กอีกแบบหนึ่งก็คือเจอแล้วชอบอเจอแล้วชอบก็คือเคยเป็นเม็ดกันมาก่อนเคยชอบกันมาก่อนพอมันเจอกันอีกก็จะชอบกันทันทีส่วนที่แบบที่สามนี่คือแบบเฉยๆไม่รักไม่ชังแสดงว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอไม่เคยมีปัญหาต่อกันมาก่อน ไม่เคยชอบกันมาก่อนไม่เคยชังกันมาก่อนไม่เคยเกลียดกันมาก่อนก็เลยเฉยเฉยไปอันนี้คือลักษณะของจิตใจของแต่ละคนนี่ว่าทำไมจึงมีเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเขาจำเราได้เราจำเขาได้เขาเคยทำอะไรเรามาพอเราเจอเขาเราจะจำเขาได้ เราเคยจองเวรกับเขาพอเจอเขาอีกเราก็จะจองเวรกับเขาเขาเคยจองเวรกับเราพอเขาเจอเราเขาก็จะจองเวรกับเราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้ากับเทวทัตนี่ก็จองเวรจองกรรมกันมาข้ามพบข้ามชาติมาเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็มักจะเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นศัตรูกัน ไม่ได้เป็นเมตดกันตามประวัติที่ได้ยินมาก็คือพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีอาชีพขายของเก่าซื้อของเก่าวันหนึ่งก็พระเทวทัตก็ไปซื้อของเก่าจากยายที่ไม่รู้ระษีภาษา มีถาดเงินมีคุณค่าราคาแต่เทวทัตก็หลอกว่าไม่มีนะคุณค่าราคาให้ราคาต่ำพระพุทธเจ้าก็เป็นคนซื้อของเก่ามาเห็นก็บอกว่าอันนี้เป็นของมีค่าเป็นเงินราคาสูงพอพระพุทธเจ้าพูดอันนี้เทวทัตก็โกรธ โกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาก็เลยอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพาาระอรหันต์ัศม์มาสามพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ได้มาบวชเป็นพระภิกษุได้อภิน ญ, ญาก็เลยเกิดความ เห็นผิดเป็นชอบมีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตมีกิเลสตัณหา mm. ก็ขอให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้ตอนเป็นประธานสูงเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าพ mm. อพระพุทธเจ้าไม่ไม่ตอบสนอง mm. ก็เกิดความโกรธอาฆาตพยาบาท mm. พยายามปงประชานถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ทำไม่สำเร็จครั้งแรกก็จ้างคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็เกลี้ยกล่อมให้เขาเห็นโทษของการฆ่าว่าเป็นเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณที่ได้รับได้รับค่าจ้างแต่ไม่คุ้มกับโทษที่จะต้องไปใช้ต่อไปฆ่าพระพุทธเจ้านี้ต้องไปตกนรก ในขุมลึกที่สุดเขาก็เลยไม่ฆ่าไม่ฆ่าพระพุทธเจ้ามเมื่อเมื่อจ้างให้เขามาฆ่าไม่สำเร็จก็เลยหาวิธีใหม่ปล่อยช้างออกมาให้ไปเวลาพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็ให้ปล่อยช้างออกมาทำให้ช้างเกิดความแตกตื่นแล้วก็พอไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ให้ทำลาย ทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พอช้างพบกับพระพุทธเจ้าที่มีพระเมตตาสูงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ยับยัง้งความโกรธของช้างได้ช้างก็ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าครั้งที่สามก็เลยขึ้นไปบนเขาไปแอบรอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเพื่อที่จะกิ้ง ก้อนหินก้อใหญ่มาทับแต่ก็ทำได้เพียงแต่ก้อนหินที่มันมีสเก็ดหินนี้ไปไปทาให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดอการกระทำสามอย่างนี้เป็นโทษหนักการทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี้เป็นอนันตริยกรรมมีโทษหนักเท่าเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ ถ้าพระอาหารหันต์ทำสงให้แต ก, แ, ตกแยกอันนี้ท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมเป็นนบาบที่หนักที่สุดอนนพอเจ ว, วทัศไม่สามารถาทำให้สำเร็จได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาก็เห็นโทษของการกระทำของตนก็เลย จะไปขอกรรมาระหว่างทางก็ถูกแผ่นดินสูบก่อนจะถูกแผ่นดินสูบ<ม>ก็ถวายคางให้แก่พระพุทธเจ้าแผ่นดินสูบเหลือจะถึงคางแล้วก็เลยขอถวายคางเป็นการถวายความขอกมาลาโทษการการขอกมาลาโทษนี้ จึงเป็นเหตุให้พระเทวทัตหลังจากที่ไปรับใช้กรรมในนรกแล้วพอพ้นนรกออกมาก็จะกลับมาเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของการจองเวรจองกรรมกันอย่าให้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทให้เราไปทำร้ายผู้อื่น เพราะมันจะทำร้ายเรามากกว่าทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเสียอย่างมากก็แค่ชีวิตหรือทรัพย์สินแต่เรานี่จะต้องไปใช้กรรมในอบายไปตกนรกจึงไม่ควรที่จะโกรธเกลียดกันอาฆาตพยาบาทกันเวลาเกิดความโกรธก็ให้ใช้เอาเวลาหหนตุแผ่เมตตา คือให้อภัยกันอย่าไปถือเทษกอดเคืองให้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขาทำมันก็ผ่านไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วแต่เราก็กลับไปลบล้างมือนไม่ได้เขาด่าแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเขาขโมยของเราไปแล้วเราก็ก็เอาไปแล้ว เราก็ยังไม่เราก็ยังอยู่ได้เราก็ยังไม่มีอะไร เ, เราก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหายตรงไหนก็อย่าไปสร้างความเสียหายที่รุนแรงกว่าการสูญเสียสิ่งที่เราเสียไปด้วยการให้อภัยหรือจะมองว่าเป็นการใช้นี่ใช้เวรใช้กรรมก็ได้อาจจะเคยมีเวรมีกรรมกันมาก่อนเราอาจจะเคยไปทำร้ายเข้ามาก่อน ตอนนี้เขาเลยกลับมาทำร้ายเราก็ถ้าเขาอยากจะทำร้ายก็ปล่อยเขาทำร้ายไปแต่ว่าเป็นวิบากกรรมของเราเมื่อเขาได้ทาจนเขาพอใจแล้วเขาก็จะเลิกทำไปเองอแล้วก็จะหมดเวรหมดกรรมกันนี่คือการแผ่เมตตาลักษณะที่หนึ่งคืออาเวลาโหนตอุอย่าเบียดเบียนกัน อ, อย่า อย่าจองเวรจองกรรมกันอันที่สองก็คืออัป บ, บยาป ช, ชาหหนตุอย่าเบียดเบียนกั น, นการเบียดเบียนก็คือเนี่ยการรักทรพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดการทํำลายชีวิตของผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการเบียดเบีย น, อ, นองเราต้องอย่าไปเบียดเบียนจะทําอะไรก็ ทำอย่างสุดจริตสุดใจอย่าไปให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอันดีคาโหตุก็อย่าไปทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรที่จะทำให้ชนอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอย่าไปทำให้จิตใจอย่าไปทำให้เขาเสียใจด้วยการกระทำของเรา เช่นไปลักทรัพย์เขาหรือว่าไปด่าไปว่าเขาไปพูดจาดูถูกดูแคลนเขาอันนี้จะทำให้เกิดความเสียใจและหรือถ้าไปทำร้ายร่างกายก็ทำให้ร่างกายเขาต้องเจ็บพยายามอย่าไปทำเรียกว่าอนิคาโหณตุสุขีอัตตานังปริฮารันตุให้ความสุขกับเขา วิธีให้ความสุขก็เหมือนตอนที่เราปีใหม่นี่เราก็ส่งสกอสอกันฮะสกอสแอปลว่าอะไรส่งความสุขเนีอันนั้นอ่ะเรามีอะไรพอให้กันได้ก็ให้กันไปมีของมีเงินมีทองบางทีเรามีอารมณ์ดีเราอยากจะให้ของคนนั้นคนนี้ให้แล้วเราก็มีความสุข เช่นการทําบุญทําทานนี่ก็เป็นการให้ความสุขต่อกันสาวคอสญาติโ ย, ยมเอากับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยมาถวายให้พระพระก็ได้รับความสุขจากญาติโยมญาติโยมกําลังแผ่เมตตาให้กับพระญาติโยมสามารถแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นได้ไม่ใช่แต่พาะเฉพาะกับพระเพียงอย่างเดียวให้ใครก็ได้ ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เวลาไปซื้อของนอกบ้านนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะซื้อของไปฝากคุณพ่อคุณแม่นึกถึงเพื่อนฝูงนึกถึงญาติมิตรก็ซื้อของไปฝากกันได้อันนี้ไม่มีใครเุาทุกจากการที่ได้รับข้าวของจากเราเวลาเราให้ข้าวของเงินทองแก่ผู้อื่นผู้อื่นมักจะมีความสุข แล้วเขาจะเป็นมิตรกับเราเราไม่เบียดเบียนเขาเขาก็จะไม่เบียดเบียนเราเขาก็จะเป็นมิตรกับเราเราไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาเขาก็จะไม่ทำร้ายร่างกายจิตใจของเราเราไม่จองเวรเขาก็จะไม่จองเวร อ, อันนี้คือความเมตตาที่เรา ต้องทำกันเวลาที่เราพบปะกันไม่ใช่ทำด้วยการสวดเวลาที่เราอยู่คนเดียวมักจะมีความเข้าใจผิดว่าเวลาเราสวดบทแผ่เมตตาแล้วเราได้ส่งกระแสจิตอันเมตตานี้ให้กลับไปกับสรบรพสัตว์ทั้งปวงเราเราเกยได้รับกระแสจิตของเพื่อนที่เขาสวดมั่งไม่ว่าเขาแผ่กับความเมตตามาให้เราแล้วไม่หรอกเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้น มันไม่เหมือนกับสถานีวิทยุที่ส่งกระจายเสียงแล้วพอเราพอเราเปิดวิทยุก็สามารถรับได้เลยอันนั้นไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการแผ่การสวดนี่เป็นเพียงแต่เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องเป็นคนที่มีความเมตตาต่อกันละกันแล้วเราต้องรู้ว่าแผ่อย่างไรพอเจอเหตุการณ์จะได้แผ่ได้พอเขาพูดไม่ดีทาไม่ดี พอจะโกรเขาก็อ่ะไม่เป็นไรอ่ไม่เป็นไรอ่าว่าไม่เป็นไรผ่านไปช่างมันอ่อย่าไปโกรธกันเสียของดีกว่าเสียมิดเสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองช่างมันหาใหม่ได้แต่มิดนี่หายากอ่ศัตรูนี่ห า, ายาะแล้วศัตรูนี่มันร้ายกร้ายยิ่งกว่ากันอ่า การการการไม่มีมิตรเนี่ยการไม่มีมิตรนี่ยังไม่ร้ายกาศเท่ากับการมีศัตรูนะเพราะศัตรูนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะมาคอยจองเวรจองกรรมกับเราให้ให้มันสวดอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เตือนใจแต่ความจริงเราควรจะสวดเป็นภาษาไทยจะดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทยอะ เราไปสวดภาษาบาลีบางทีสวดแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายว่าเรากำลังสวดอะไรกันเพียงแต่คิดว่าเรากำลังแผ่เมตตาแผ่กสัจจิตให้กับผู้อื่นเรื่องอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นการสอนเตือนใจเราเป็นการศึกษาวิธีแผ่เมตตาว่าเราจะต้องแผ่อย่างไรเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องแผ่อย่างไร เวลาเกิดความโกรธก็ต้องให้อภัยเวลาทำอะไรก็ระมัดระวังอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเวลาอยากได้อะไรก็อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าอยากได้ทรัพย์ก็ไปหาเองไปทำงานทำการอย่าไปลักทรัพย์อยากมีแฟนก็อย่าไปแย่งแฟนของคนอื่นถ้าเขามีแฟนแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขา ไปนี่เรียกว่าการไม่เบียดเบียนกันแล้วถ้าเรามีเงินทองมีอะไรเหลือกินเหลือใช้อยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขก็แบ่งปันให้กันละกันนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการพบปะกันเวลาเราเจอกันอยู่ร่วมกันถ้ามีเมตตาแล้วมักจะไม่มีปัญหาจะรักกันไปตลอด อั น, นิสงค์ของการแผ่เมตตานี้ก็มีหลายประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกลียดคนที่มีความเมตตาข้อที่สองเทวดาจะคุ้มครองรักษาข้อที่สามจะไม่ถูกทาร้ายจะไม่ถูกฆ่าด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษจะไม่ตายด้วยการ การฆ่าของผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขามีความโกรธแค้นโกรธเคืองเรานั่นเองแล้วก็ตื่นก็มีเวลาตื่นก็มีความสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันลายจะฝันดีตื่นเป็นอยู่เย็นเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันลายจะมีหน้าตา จมใสเบิกบาน เ, ออเวลาจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างง่ายดายแล้วเวลาที่ตายไปออถ้ายังไม่ถึงออคุณธรรมที่สูงกว่าก็จะไปเกิดในสุขติออไปเกิดในภพของของมนุษย์ของเทวดาของพรหมออจะไม่ไปเกิดในอบาย นี่คือคุณนี่คืออนิสงหรือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราแผ่เมตตาให้ต่อกันละกันอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขจะไม่มีใครโกโเกลียดเราจะมีแต่คนรักเราชอบเราจะมีคนคอยคุ้มครองเราดูแลเราช่วยเหลือเราอันนี้คือข้อที่หนึ่งของ ธรรมโอสถที่จะคุ้มครองรักษาใจให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขจะไม่โกอดไม่เกียดใครข้อที่สองให้เรามีความการุณาต่อกันละกันความการุณาก็คือความสงสารในความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นอย่าเป็นคนใจไม้ไส้ระกรรมอย่าดูได เห็นใครเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราพอจะช่วยเหลือได้ตามกําลังก็ช่วยเหลือกันไปอันนี้จะทําให้เรามีความสุขจะเราจะทําให้เราดูและใจของเราจะได้สบายใจถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือผู้นั้นบางทีใจเราจะไม่สบายเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนแต่เราทําเป็นเฉยๆทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ใจของเราจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาตามกำลังของเราช่วยได้มากก็ช่วยไปช่วยได้น้อยก็ช่วยไปตามกำลังอเราจะทำให้ใจเรามีความสุขเวลาที่ผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเกิดร้อนต้องให้คิดว่าคนเหล่านั้นเหมือนกันทุกคนอยู่ในโลกของอนิจจัง คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอชีวิตของเราบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเหมือนคนเดินเดินแล้วบางทีก็อาจจะลื่นล้มได้เมื่อลื่นล้มแล้วลุกขึ้นมาเองมาลุกขึ้นมาเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยพยุงให้ลุกขึ้นมาเพื่อจะได้เดินต่อไปได้ชีวิตก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะผิดพลาดดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาด ทำให้เราอดอบทุกได้ยากลำบากลำบนถ้ามีคนอื่นเขามีความการุณาช่วยเหลือเราเราก็จะไดะ้ได้ฟื้นสภาพชีวิตของเราได้นี่คือข้อที่สองคือความการุณาความสงสารช่วยเหลือกันด้วยเหตุด้วยผล แต่จะช่วยในลักษณะที่ทำให้ผู้ที่ถูกช่วยเหลือนี่เสียหายคือช่วยแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลเช่นคนที่ล้มลงไปเราก็ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นมาเดินให้เขาถ้าเขาเดินได้ก็ให้เขาเดินเอง อ, อย่าไปอุ้มเขาอย่างนี้ อุ้มแล้วเดี๋ยวจะเสียนิสัยจะไม่ไม่เดินเองจะอุ้มอยู่จะให้เราอุ้มอยู่เรื่อยๆการช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้ช่วยตัวเขาเองได้อย่าไปช่วยเหลือแบบว่าเขาต้องมาพึ่งเราตลอดเวลาช่วยแล้วให้เงินเขาไปแล้วพอเงินหมดเขาก็มาขอใหม่ถ้าช่วยแบบนี้แล้วแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือเขากับเป็นการ อ่าทำร้ายเขาเพราะทําให้เขาไม่สามารถพึ่งตนเองได้ต้องช่วยให้เขาเพื่อให้เขาเพึ่งตนเองได้มีสุภาษิตที่เขาพูดว่าอย่าให้ปลาเวลาคนต้องการปลามาขอปลาอย่าให้ปลาสอนให้เขาไปจับปลาดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาจับปลาเองได้แล้วเขาก็ไม่ต้องมาคอยขอเรา ถ้าเราเข้ามาขอปลาทีไรเราก็เอาปลาให้เขาไปพอเขากินปลาหมดเขาก็มาขอใหม่เพราะเขาหาปลาเองไม่เป็นอันนี้ก็เหมือนกับเงินถ้าเขามาขอเงินขอทองเราก็อย่าให้เงินเขาถ้าจะให้เงินก็ให้เงินเขาเพื่อไปศึกษาวิธีหาเงินหรือหรือว่าถ้าเขาไม่มีเงินจะเดินทางไปทางานที่นั่นที่นี่ ไม่มีเงินทองค่าโดยสารก็ให้เงินเขาไปเพื่อที่เขาจะได้ไปสมัครงาไปทํางานได้ช่วยแบบนี้ช่วยให้เขาหาเงินเอง อ, อย่าไปให้เขาแบบไม่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการพัฒนาในตัวเขาถ้าให้เงินไปเปล่าๆเดี๋ยวเขาใช้เงินหมดเขาก็จะกลับมาขอใหม่ เขาก็จะพึ่งเราไปจนวันตายอันนี้ก็คือลักษณะช่วยเหลือลูกเหล่านี้แหละบางคนเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่รู้จักสอนลูกให้รู้จักพึ่งตนเองคอยให้ลูกมาพึ่งเราตลอดเวลาต้องการอะไรก็ให้เขาเขาก็เลยไม่ต้องไปบางทีก็ไม่เรียนหนังสือเรียนก็เรียนไม่จบ พะเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์เลเรียนไปก็ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปหางานหางานก็ได้เงินเดือนน้อยกว่าพ่อแม่จะให้พ่อแม่บางคนรวยให้เงินให้ลูกใช้เงินเยอะแยะต้องการเท่าไหร่ก็ให้ลูกก็เลยไม่มีความเพียรพยายามที่จะไปศึกษาเร่มเรียนหาวิชาความรู้สูงสูงเพื่อที่จะได้ไปหางานทำ าะมีพ่อแม่คอยให้เงินเดือนใช้อยู่ตลอดเวลาช่วยแบบนี้ก็จะทำให้เขาไม่สามารถหาหาเงินทองเองได้แล้วต่อไปพ่อแม่ตายไปเงินทองที่ทิ้งไว้เขาอาจจะใช้หมดก็ได้เพราะเขาจะรู้แต่ใช้แต่ไม่รู้จักหานั่นเองงั้นอย่าช่วยแบบนี้อย่าสงสารแบบนี้บางคนรักลูกไม่อยากให้ลูกลำบาก ไม่อยากให้ลูกทำอะไรอคอยเลี้ยงดูลูกคอยจ้างคนชงคนใช้อะไรมาทำอะไรให้ลูกทุกอย่างลูกก็เลยเป็นเหมือนคนพ่การทำอะไรเองไม่เป็นแล้วถ้าเกิดมีปัญหาทางบ้านทางครอบครัวหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองเขาก็จะลำบากเพรเขาจะไม่รู้จักหาเงินหาทองด้วยตัวของเขาเองนั่นเอง ดังนั้นความการุณาต้องมีมีเหตุมีผลต้องมี ม, มีเป้าหมายคือต้องช่วยเหลือให้เขาช่วยเหลือตัวเขาเองได้อันนี้คือข้อที่สองคือความกาัลปนาพอเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วใจของเราก็จะมีความสุขสังเกต ด, ดูวเวลาบางทีเรา ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วบางทีเราจะรู้สึกไม่สบายใจเขาเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเราปฏิเสธไปถ้าปฏิเสธด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าปฏิเสธเพราะความเห็นแก่ตัวของเราเองเพราะความตนีเพราะไม่ต้องการเสียสูญเสียข้าวของเงินทองอันนี้จะทำให้จิตใจเราไม่สบายได้ เราก็ต้องคิดว่าการับ ส, บสมบัติเข้าของเงินทองนี้ก็มีไว้เพื่อใช้เพื่อให้เรามีความสุขเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ก็ช่วยเหลือผู้อื่นก็ใช้ไปตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ไม่ได้ใช้ใจเราเพราแทนที่จะมีความสุขกลับมีความไม่สบายใจก็ไดอ้อันนี้ก็คือเรื่องของ ความการุณาต่อกันละกันถ้าโลกเรามีความการุณาต่อกันละกันนี่โลกเราจะมีความสุขกันเพราะจะมีการช่วยเหลือกันช่วยเหลือเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากโดดร้อนอย่างที่เรามักจะทำกันเวลาที่มีภัยพิบัติต่างๆเช่นแม้แต่อยู่ต่างต่างประเทศเช่นประเทศ เ, เพื่อนบ้านประเทศลาวเขื่อนแตก เราก็ยังช่วยกันส่งข้าวส่งของส่งความช่วยเหลือไปเพราะตอนนั้นไม่มีใครจะช่วยเขาเนี่ยบ้านก็ไม่มีอยู่อข้าวก็ไม่มีกินอแต่ร่างกายมันต้องกินก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเดือดร้อนเขาก็จะช่วยเหลือเราเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขา แล้วเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขจะอยู่กันแบบเป็นมิตรถึงแม้จะไม่เป็นศัตรูแต่ก็ไม่เป็นมิตรก็ไม่ดีบางทีสมัยนี้เราอยู่ในบ้านสมัยนี้เรามักจะไม่รู้จักคนข้างบ้านจะได้ซ้ำไปเพราะเราต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่การงานทำอะไรของเราไปเราก็เลยไม่รู้จักคนข้างบ้าน คนข้างบ้านเป็นอะไรบางทีเราก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับเขาเราเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับเราแต่ถ้าเราทำความรู้จักกันสนธนาปาศายทักทายกันถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีอย่างนี้มันก็จะทำให้ มีความสุขมากขึ้นดีกว่าอยู่แบบ อ, อยู่แบบเดียวดายไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรไม่มีคนรู้จักเวลาขาต้องการความช่วยเหลือก็ไม่รู้จะไปหาใครการช่วยเหลือก็ต้องเรามัดระวังว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเมื่อตัวตัวผู้เดือดร้อนไม่สามารถช่วยตนเองได้ แต่ถ้าเขายังช่วยตนเองได้อยู่ก็ไม่ควรที่จะช่วยเหลือเขาเพราะอันนี้เป็นการทำร้ายเขามากกว่าเป็นการช่วยเหลือเขาจะทำให้เขาไม่รู้จักพึ่งตนเองนั่นเองต้องให้เขาเพึ่งตนเองก่อนเมื่อเขาเพึ่งตนเองไม่ได้แล้วเราก็ค่อยยื่นมือไปช่วยเหลือเขาต่อไป แล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขจะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันนี่คือความกาุณานาคนที่มีมากกว่าต้องมีความสงสารต่อคนที่มีน้อยกว่าเราต้องมาแบ่งปันกันเราจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่สนไม่เหลียวแลกันเราก็จะอยู่กันแบบ ไม่มีน้ำใจต่อกันเวลาพบปะกันก็ไม่มีความสุขเห็นหน้ากันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีความกรุณาต่อกันเวลาพบกันเห็นหน้ากันก็จะมีความสุขกันนี่คือข้อที่สองของพรมวิหารสี่คือความกรุณาความสงสารต่อกันละกันข้อที่สามคือมุติตาคือความ ยินดีในความสุขในความเจริญของผู้อื่น mm. คนเรานี้บางเวลาบางคนก็มีความสุขเราเห็นเขาแล้วแทนที่เราจะไปยินดีเรากลับไปอิจฉ้าลิสยา mm. การไปอิจฉ้าลิสยานี้แทนที่จะทําให้เรามีความสุขกลับทําให้เรามีความทุกข์ mm. ทำํำไมเราต้องไปทุกข์กับความสุขความเจริญของผู้อื่น mm. ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นคู่แข่งขันกับเขาะ เรากำลังแข่งขันเช่นตอนนี้แข่งกีฬาอย่างนี้คนชนะก็ดีใจคนแพ้ก็เสียใจซึ่งความจริงการเล่นกีฬานี้เพื่อมาฝึกคนให้รู้จักมุติตานี้เองให้ดีใจทั้งสองฝ่ายคนชนะก็ดีใจคนแพ้ก็ดีใจดีใจกับความความสามารถของคนที่เขาชนะอันนี้ เป็นปนณณมุติตาอย่าไปอย่าไป อ, าอิจฉาริษเสยียอย่าไปเสียใจเวลาที่คนอื่นเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราให้เราฝึกเจริญมุติตาจิตให้คิดว่าคนเรามีความสามารถไม่เท่าเทียมกันมีโอกาสไม่เท่าเทียมกันมีจังหวะ ที่ไม่เหมือนกันบางทีคนเขาเขามีจังหวะดีมีโอกาสดีมีความสามารถดีเขาก็ได้รับการเาจเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอส่วนเรานี้โอกาสไม่ดีจังหวะไม่ดีทำยังไงก็ยังติดอยู่ที่เดิมอยู่ อ, อันนี้บางทีเราก็อาจจะเสียใจหรืออิจฉา เวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาได้เดบบได้ดีกว่าเราอันนี้เราจะแก้ได้ด้วยการใช้มุติตาจิตถ้าเรามีมุติตาจิตก็คิดว่ามันเป็นบุญของเขาก็แล้วกันมันเป็นโอกาสของเขามันเป็นจังหวะชีวิตของเขาที่เขาจะเจริญก้าวหน้าเป็นความสามารถของเขาที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย มันเราจะต้องไปมีความทุกข์กับความเจริญของเขาสู้มีความสุขกับความเจริญของเขาไม่ดีกว่าให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วคนอื่นเขาคิดอย่างเราเราจะรู้สึกยังไงเราก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเวลาเราจเจริญแล้วคนอื่นเขาชื่นชมยินดีกับความเจริญของเราเราก็จะมีความสุข แล้วก็เราก็จะเป็นมีความสุขกับเขาจะเป็นมิตรกันจะไม่เป็นศัตรูกันนี่คือเรื่องของมุติตาจิตเราอยู่ในโลกนี้เราก็เหมือนกับแข่งขันกันแข่งขันกันหาความสุขนั่นแหละทุกวันนี้พวกเราทำอะไรกันเราก็หาความสุขกันแตบบ่บางทีก็หาได้น้อยบางทีก็หาได้มาก คนบางคนคนอื่นเขาอาจจะหาได้มากกว่าเราเราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปอิจฉาริอเสยเพราะมันจะทำให้เราอาจจะคิดไม่ดีต่อเขาก็ได้อาจจะไปแทนที่จะเป็นมิตรกันก็อาจจะเป็นศัตรูกันคอยจองร่างจองผานกันคอยหาวิธีขัดขวางการเจริญของ ของผู้อื่นของเขาเนีแต่ถ้าเราไม่บุติตาจิตเราก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมาเห็นใครจเจริญเราก็สาธุไปเนี่ยเป็นความสามารถของเขาเป็นบุญของเขาเป็นโอกาสของเขาเราก็ทําของเราไปความพยายามอยู่ที่ไหนเดี๋ยวความจําเร็จก็อยู่ที่นั่นถ้าเรายังไม่สําเร็จเราก็พยายามทําต่อไปน เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็สําเร็จอันนี้คือมุติตาจิตคือให้เรามีความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่นอย่าไปอิจฉาหรือเสยอย่าไปสร้างปัญหาเชนนักกีฬาบางทีแพ้ก็ไม่ยอมแพ้ไปฟ้องร้องกันออันนี้อย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราว การเล่นกีฬานี้ก็เพื่อมาฝึกวิธีให้รู้จักวิธีแพ้ว่าแพ้อย่างไรเพราะถ้าแพ้เป็นแล้วจิตใจจะสบายนังที่ได้พูดอยู่สเสมอว่าให้เรารู้จักใช้สูตรสามยอสูตรสามย อ, ยอคืออะไรยอมหยุดเย็นยอมแพ้เมื่อยอมแพ้ก็อย่าหยุดต่อต้านเมื่อหยุดต่อต้านใจก็จะเย็นจะสบาย แข่งกีฬาแพ้ก็อ่ะยอมแพ้ไปเมื่อเมื่อเขาตัดสินว่าเราแพ้ก็แพ้ไปจบะไปชื่นชมไปแสดงความยินดีต่อผู้ชี่ชนะจะดีกว่าไปมีมุติดาจิตเอีเราจะได้ไม่ต้องไปต่อสู้กันในไปฟ้องร้องกันไปมีเรื่องมีราวกันอหยุดต่อสู้กันเมื่อเราไม่ต่อสู้ใจเราก็จะเย็นจะสบายเราเรียกว่ายอมหยุดเย็น ยอมแพ้ให้เขาชนะไปเขาชนะแล้วเราก็จะเย็นจะสบายถ้าเราไม่ยอมเราก็จะคิดว่าเขาโกงบ้างเขาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเอแล้วจะทําให้เรานี้ไม่มีความสุขอ่านี่คือเรื่องของมูติตาจิตส่วนข้อที่สี่คืออุเบขาอุเบขาคืออะไรก็คือการรู้จักทําใจให้เฉย เวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถแผ่เมตตาได้ไม่สามารถให้ความกรุณาได้ไม่สามารถใช้มุติตาได้ก็ให้ใช้อุบเบกขาคือทำใจเฉยๆเช่นบางครั้งเราอยากจะช่วยเหลือใครแต่มันเหลือความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือเขาได้เช่นเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หาย จะต้องตายแต่เราไม่อยากให้เขาตายเช่นคนที่เรารักเราเคารพเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาหายอยากให้เขาไม่ตายแต่เขาจะต้องตายเราจะมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามีมุติตาเรารู้จักทำใจเฉยเฉยเราก็จะไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับความเป็นความตายของผู้อื่นเพราะเรื่องของ อู้นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่เราจะไปสามารถควบคุมบังคับจัดการได้เสมอไปบางทีเราก็จัดการได้เช่นบางคนไม่สบายเราไปพาเข้าไปหาหมอก็รักษาหายได้แต่บางทีก็ไปมีโครคภัยไข้เจ็บแบบที่รักษาไม่ได้เราก็ต้องทาใจอุเบกขาก็คือการทาใจไม่ให้ไปทุกข์กับ เหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่บางทีความอยากของเรานี้มันมีกำลังมากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เสียใจไม่สบายใจแต่ถ้าเรารู้จักทำใจว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลง มีได้มีเสียมีเกิดมีดับ เ, เ, เป็นโรคที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความต้องการของเราเามื่อเราไม่สามารถทําอะไรได้เราก็อย่าไปทุกข์กับเหตุการณ์เหล่า น, นั้นวิธีที่จะไม่ทุกข์ก็คือเราจะต้องรู้จักทําใจให้เป็นอุบเบกขาการที่จะทําใจให้เป็นอุบเบกขาได้นี้เราจะต้องรู้จักการ ฝึกสมาธินั่นเองเพราะสมาถ้าเราได้สมาธิเราจะได้อุเบกขาเมื่อเราได้อุเบกขาแล้วใจเราจะเฉยต่อเหตุการ์ต่างๆได้จะไม่รักไม่ชังจะไม่กลัวไม่หลงเวลาที่เราไปสัมผัสกับเหตุการ์ต่างๆเราก็จะเฉยๆถ้าเราทำได้เราก็ทำไปทำไม่ได้เราก็เฉย แต่เราจะไม่ต้องมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราโดยใช่เหตุเพราะการทำให้จใจเราทุกข์ด้วยความอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำอะไรหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วทำไม่ได้เราจะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตาม ตามเหตุตามปัจจัยของมันนะการจะมีอุเบกขาได้อย่างแท้จริงจึงต้องมีการฝึกสมาธิกันต้องมีการหัดนั่งสมาธิ ก, การจะนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้นี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้กํากับนะสตินี้จะเป็นผู้กํากับใจให้หยุดคิดหยุดบุงแต่ง เมื่อใจหยุดคิดหยุดปรุงแต่งใจก็จะเนิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราอยากจะมีอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่กับบุคคลต่างๆเราต้องมาหัดฝึกสติกันก่อน <c oughs> เพราะถ้าไม่มีสตินี้เราจะไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้นั่นเอง นั่งสมาธินั่งหลับตามนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งได้เนี่ยถ้าไม่มีสตินั่งได้เดี๋ยวเดียวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะใจจะคิดคิดแล้วจะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็อยากจะไปทําตามความอยากก็จะนั่งต่อไปไม่ได้เหตนก่อนที่จะมานั่งนี้เราต้องหัดควบคุมความคิดให้ได้ก่อน <c oughs> วิธีควบคุมความคิดก็ให้ให้ควบคุม ให้ให้ใจเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราบริกรรมพุโทโธไปเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ในตอนต้นนี้การบริกรรมพุโทโธก็ยังอาจจะมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าสติของเรายังมีกําลังน้อยยังควบคุมให้อยู่กับความคิด อยู่กับพุทธโธไปไม่ได้ตลอดบางทีพุทธโธแปร๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ววบไปคิดเรื่องนั้นพุทธโธแปร๊บก็แวบไปคิดเรื่องนี้ะใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเหมือนการชักกระเยอะกันพุทธโธสองคำคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นนสองคำแล้วก็กลับมาพุทธโธใหม่หรือบางทีพุทโธสองคำไปคิดเรื่องนู้นสักห้านาทีก็ค่อยกลับมาพุทโธใหม่เราจะลืมง่ายสติเรามีน้อยนี่เราจะลืมพุทธโธง่าย เราจะต้องฝึกบ่อยๆถ้าฝึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ลืมเราต้องหมั่นฝึกเราสามารถฝึกสติได้แทบทั้งวันเลยถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานการต่างๆแล้วถ้าเราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วใจเราชอบคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้คาบริกรรมพุทโธมาหยุดมัน เช่นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ต้องคิดอะไรถ้ามันอยากจะไปคิดเรื่องนั้นเรืงนี้เราก็ใช้พุโทโธหยุดนันได้นะลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธต้องไปทํากิจก็ไปทํากิจแล้วก็พุโทโธไประหว่างที่ทํากิจอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทํางานช่วงนี้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยก็เหมันพุโทโธพุโทโธไป พอถึงที่ทำงานต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธเวลาทำงานก็คิดอยู่กับเรื่องงานไปพอไม่มีงานจะต้องทำจะไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาหาพุทโธพุทโธไปหรือถ้าว่างก็นั่งหลับตาก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้นั่งในห้องทำงานก็ได้ถ้ามีเวลาว่างนั่งหลับตานั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งกับพื้นก็ได้แล้วแต่ความถนัด ชอบนั่งขัดสมาธิก็นั่งกับพื้นถ้ายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งกับเก้าอี้ก็ได้นั่งกับเก้าอี้แล้วก็หลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือจะเปลี่ยนจากพุโทโธมาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้ถ้ามีสติแล้วใช้อย่างใดก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้ใช้ดูดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เพื่อควบคุมความคิดเพื่อทําให้ใจนิ่งนั่นเอง เพราะถ้าใจไม่นิ่งอุเบกขาจะไม่เกิดถ้าใจนิ่งแล้วจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาใจจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้เห็นอะไรก็จะไม่วุ่นวายใจเหมือนเมื่อก่อนเวลาระหว่างการมีอุเบกขากับการไม่มีนี้จะมีเห็นความแตกต่างกันเวลาสัมผัสรับรูบร้อะไรถ้าไม่มีอุเบกขานี้ใจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันที จะเกิดความรักความชังความดีใจความเสียใจขึ้นมาแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วจะเฉยจะรู้เฉยเฉยสักแต่ว่ารู้อันนี้เป็นประโยชน์เพราะการเฉยของใจนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขปลอมเช่นดีใจก็สุขแต่มันจะทำํำจะจะทําให้ทุกข์ต่อไปเวลาสิ่งที่เราดีใจด้วยหายไปหรือหมดไปเพราะสิ่งที่ทําให้เราดีใจหายไป ความสุขที่ได้ก็หายไปมันก็จะทำให้เราตกลงมาจากความสุขลงมาหาความทุกข์แต่ถ้าเราอยู่คงกลางนี้เราจะเฉยๆไปเห็นอะไรก็เฉยใจเราก็จะสบายไปทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลานี่คือการเจริญอุเบกขาต้องเจริญด้วยการฝึกสติเมื่อมีสติแล้วก็พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆ นั่งให้มากๆการจะเจริญสติจเจริญสมาธิได้อย่างมากๆนี้ต้องมีเวลาให้ถ้าเรายัางต้องไปทำงานทำการนี้การที่จะเจริญสติสมาธินี้ก็จะมีเวลาน้อยบังทีเราจะต้องใช้วันหยุดทำงานนี้ไปเจริญกันไปอยู่วัดกันช่วงไหนที่เราว่างก็ไปอยู่วัดเพราะวัด ที่สงบวัดที่ปฏิบัตินี้จะเป็นสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อการทําใจให้มีสติทําใจให้มีสมาธิทําใจให้มีอุบเบกขานั่นเองนี่แหละทำไมเราจรึงต้องไปปรีกวิเวกไปวัดกันไปปฏิบัติทากันเพื่อเราจะได้สร้างอุบเบกขาขึ้นมาพอเมื่อเรามีอุบเบกขาแล้วใจเราจะเย็นจะสบาย กับเหต e ุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถค ว, วบคุมบั ง, บงคับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นและเรื่องของเราเราจะสามารถฟันฝ่าเหตุการณ์ต่างๆไปได้อย่างไม่มีความทุกข์ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็อยู่กับมันได้รับกับมันได้ร่างกายของคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็รับกับมันได้ จาไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่เครียดจะไม่วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เรียกว่าพรมวิหารสี่พรมวิหารแปลว่าอะไรพรมก็คือพระพรมนั่นเองวิหารก็คือที่อยู่ของอพรมที่อยู่ของพรมก็คุณทำทั้งสี่ข้อใครมี มีเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาก็ถือว่ามีที่อยู่ของพรหมเป็นพรหมกันเพราะว่านี่แหละคืออ น, นิสงส์ที่จะได้รับจากการที่เรามีพรหมวิหารสี่ตายไปก็จะไปเกิดในพรหมโลก อ, อยู่ในโลกก็อยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่แบบพ่อพรหมแม่พรหมมีแต่คนรักเขารพก กราบไหว้บูชาถ้าเรามีเมตตาการุณามูดิตาอุเบกขาจึงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของรมวิหารสี่นี้ใบพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขใจสบายใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะไรวะหาปุราปะริปุเรนติสาลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติอิจ an ิตังปะทิตังต um ุมหังกกปาเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณิโชติ อะรโสยทถาสพิติโยวิวาชนตุสัพปรกโววินาศตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทิคาโยโกภวะอพิวะธนสิลิศะนิจังุทธาปจายโนจตารโหธมวะธานติอายุวันโอสุขัง ลลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ชอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจนถึงเวลาที่เราเลิกหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตงดตอบถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามา แล้วจะมีผู้ที่จะอ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามรอยี่สิบคนครับยู u t u หนึ่งร้อยหกสิบห้าคนครับ r a d i ดีโอสิบเก้าคนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยห้าสิบคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบสี่คนครับพอาจารย์ถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย มีคําถามจากไลน์นะคะจากคุณวีระยุทธ์ค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคารวะทําทานทําทางเดินจงกรมแล้วเดินที่บ้านตนเองได้ไหมครับเ ห, หมาะสมไหมครับได้การปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นพระเป็นคารวะก็ปฏิบัติได้เหมือนกันไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าให้มันทําแล้วมันเหมาะสมครับ คือทางจงกรมนี่ถ้าเป็นไปได้หลวงปู่มั่นท่านแนะนําว่าอย่าทําทางเดินเดินเดินขวางตะวันให้ทําทางเดินตะวันเช่นเดินทําทางเดินระหว่างทิศทิศตะวันออกทิศตะวันตกอย่าไปทําทางที่ทิศเหนือทิศใต้ให้ให้เป็นทางที่ไปตามตะวัน ตะวันออกตะวันตกหรือเฉียงก็ได้เฉียงตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้อย่างนี้ได้อยู่แต่อย่าทำทางที่ขึ้นเหนือลงใต้อันนี้ไม่ทราบสาเหตุแต่หลวงตาท่านเขียนไว้ในหนังสือปฏิปทาพระธุนรงกรรมฐานเรื่องของการทำทางจงกรมทางจงกรมก็ควรจะมีระยะถ้าเป็นไปได้ก็อย่างต่ำยี่สิบห้าเก้าขึ้นไป บางท่านก็ชอบสี่สิบยี่บห้าถึงสี่สิบเก้าเพราะว่าถ้ามันสั้นเดี๋ยวเดินแล้วมันจะเวียนศรีรษะได้เดินไปไม่กี่ก้าวต้องหันอีกแล้วหมุนกลับอีกแล้วเดี๋ยวจะสั้นเกินไปมันก็จะทําให้เวียนศรีรษะท่านจะแนะนําประมาณยี่สิบห้าเก้าเป็นขนาดต่ําขนาดสั้นขนาดยาวก็ประมาณสี่สิบเก้าแล้วแต่สถานที่ด้วย มีสถานที่ที่จะเดินได้มีที่จะทำได้หรือไม่คำถามจากลายกรบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่าการติดประกาศขายบ้านแล้ ว, ลวเราอธิฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญขอให้ได้ขายอย่างนี้เป็นการขอหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็ขออยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าจะได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การขอของเรามันอยู่ที่การขายของเรามากกว่าเราคนที่จะม า, าศึกษากลยุทธ์ของการขายเวลาอยากจะขายของนี่เขาก็มีวิธีหลอกล่อคนซื้อได้ดังนั้นถ้ามาถ้ามาขอมาขอแบบว่าอธิษฐานในจิตว่ า, าถ้ามีบุญก็ขอให้ขายได้ อันนี้ขอไปก็เท่านั้นแหละมันจะาได้ไม่ได้มันไม่อยู่ที่บุญหรอกมันอยู่ที่ว่าคนรู้ว่าเรากำลังจะขายหรือเปล่าถ้าติดป้ายไว้ที่ตรงที่ดินก็อาจจะคนรู้น้อยสมัยนี้เขามีให้ไปติดป้ายตามในเน็ตต่างๆใน facebook y o u t u b e เนี่ยต้องรู้จากกลตลาดกลไกของตลาด ว, วิธีเดินวิธีทำการตลาดเขาทำกันอย่างไรแล้วก็จะขายได้ แต่ถ้าอยากจะทำแบบนี้ก็ไม่หา้ามไม่ว่าอะไรจะว่าเป็นการขอก็ได้แต่ขอมันจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะสวัสดีค่ะมีพ่อติดการพนันค่ะตั้งแต่จําความได้พ่อไม่เคยหยุดเลยแต่ล่าสุดนี้จากที่เคยไปบ่อนที่อื่นพ่อกลับเปิดบ่อนเองที่บ้าน <laughs> จ่ายสวยให้ตำรวจอยากกราบเรียนถามว่าในฐานะลูกควรจะทำเช่นไรดีเจ้าคะหากแจ้งตำรวจในระดับสูงขึ้นไปให้มาช่วยจัดการจะเป็นการทำผิดต่อพ่อผู้มีพระคุณไหมค ะ, ะเราไม่ควรทำเ ร, เราเป็นลูกเราก็เฉยๆไปถ้าพ่อจะถูกจับก็ให้คนอื่นเขาไปแจ้งความเอาก็แล้วกัน แต่เราเป็นลูกเราไม่มีไม่ควรที่จะไปทำร้ายพ่อแม่ถึงแม่พ่อแม่จะทำบาปทำกรรมอย่างไรก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ไปพ่อแม่จะถูกจับติดคุกติดตารางหรือไม่ก็อย่าเราอย่าเป็นผู้ที่ทำให้ท่านไปถูกจับติดคุกติดตารางปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมเนี่ยถึงบอกให้ฝึกอุเบกขาบางทีเราต้องรู้จักเฉยในเรื่องที่เราควรจะเฉย เพราะบางพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากนะครับแต่นี่การไม่ได้ไปแจ้งความหรือไปบอกตำรวจนี่ไม่ในหมายความว่าเราเห็นด้วยหรือสนับสนุนแต่เราถือว่ามันไม่ใช่เป็นฐานะของเราที่จะไปทำอย่างนั้นได้คำถามจากคุณสมศักดิ์กราบนามัสการ์ครับเวลาผมเจริญสติภาวนาพุทโธ ร, รู้ลมหายใจเข้าออก พอปฏิบัติไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเหมือนลมหายใจหายไปแต่ยังรู้สึกตัวอยู่จึงใช้สติภาวนาพุทโธต่อไปถือว่าการทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติถูกต้องไหมครับคือถ้าลมหายไปแล้วความคิดหายไปเราไม่ต้องพุทโธก็ได้เราให้รู้เฉย หรือว่าตอนนี้ไม่มีลมให้เราดูไม่มีความคิดให้เราคอยควบคุมเราก็สักแต่ว่ารู้ไปอย่างนี้ไม่ต้องพุโทโธก็ได้จะพุโทโธก็ได้ถ้าอยากจะพุโทโธก็ได้แล้วแต่คำถามจากคุณนิชา น, านันเป็นไปได้ไหมคะที่เรานึกพุโทโธอยู่แต่จิตก็คิดเรื่องอื่นด้วยควบคู่กันไปรู้ว่านึกพุโทโธ แต่ก็ได้ยินคําพูดหรือนึกถึงคําพูดของคนอื่นค่ะลอยขึ้นมาทําให้เราคิดไปพร้อมกับพุโทโธแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะได้เวลาที่เราฝึกใหม่ๆนี้จิตของเราจะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างพุโทโธกับความคิดอย่างอื่นแต่มันเร็วมากจนทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ความจริงมันสลับกันพุโทโธปับ๊บเดี๋ยวมันก็วัดไปคิดเรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพุโทโธต่อ มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเวลาที่ฝึกหัดใหม่ๆจิตยังมีกำลังไม่มากพอที่จะดึงให้จิตอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันก็จะแวบไปเรื่องนั้นวัมาเรื่องนี้ข้อสำคัญก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับคําบริกรรมเพียงอย่างเดียวเราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธของไปมันจะวบไปวบมาก็ช่างมันต่อไปพอสติมีกาลังมากขึ้นมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธอย่าง อย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปมันก็จะสงบได้คำถามจากเฟซบุ๊กเรียนถามพระอาจารย์เมื่อดวงตาเจอรูปสิ่งที่เกิดตามมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือวิญญาณทำงานเวทนาทำงานสัญญาทำงานสังขารทำงานความอยากหรือความไม่อยากทำงานเออต้อง วิญญาณทำงานแล้วก็สัญญาก่อนถึงจามาเวทนาสัญญาจะจะบอกว่าเป็นดีหรือไม่ดีพอดีไม่ดีก็จะเกิดเวทนาถ้าดีก็เกิดสุขถ้าไม่ดีก็เกิดทุกข์พอเกิดทุกข์รือสุกก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งว่าจะทำยังไงดีถ้าดีก็อยากได้เกิดตัณหาขึ้นมาถ้าไม่ดีก็อยากจะทิ้งมันก็เกิดตัณหาขึ้นมา แล้วเราต้องหยุดตัวไหนเพื่อให้ได้เห็นสักว่าเห็นครับก็ต้องหยุดที่ตัวสัญญาถ้ามันว่าดีก็ต้องว่ามันไม่ดีทำไมถึงไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงอะ้รมันจะดียังไงเดี๋ยวมันก็มีมันต้องเสียใช่ไหมไอนรุ่นปีที่แล้วเดี๋ยวมันก็ตอนนี้ไม่ดีแล้วใช่ไหม <c oughs> ว่ามี i iPhone รุ่นใหม่จะออกมาแล้วต้องดูว่ามันไม่เที่ยง ถ้ามันไม่เที่ยงพอไอโฟนออกมาก็ไม่ซื้อมันดีกว่าซื้อมันแล้วเดี๋ย ว, ยวมันก็ต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆมันไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆมันมันไม่ดีอยู่เรื่อยๆตอนที่ออกมาใหม่ๆมันดีไม่หมดเพอมีรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่ากลายเป็นไม่ดีไปซะแนละ้วอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่สัญญาเราต้องมองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องเสริมมันจะต้องหมดใช่ ได้แฟนมาตอนนี้หน้าตาดีเดี๋ยวอยู่ไปทักยี่สิบสามสิบปีก็กลายเป็นคนแกะนะ่แล้วเราไม่ยอมมองกันชอบมองแต่ตอนสาวตอนหนุ่มนะั่นเองไม่คิดว่าถึงต่อไปเขาจะต้องแกหนังจะต้องเหี่ยวผมจะต้องร่วงผมจะต้องหอกไม่มองคนแก่กันบ้างคนแก่เมื่อก่อนก็เป็นคนสาวไม่ใช่เหร่เราต้องมาเปลี่ยนสัญญานะเปลี่ยนสัญญาเวลาเห็นอะไรแล้ว พราะว่าดีแล้วต้องบอกว่ามันไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงมันจะทําให้เราทุกข์เนี่ยเวลามันเปลี่ยนไปมันจะทําให้เราทุกข์แล้วเราห้ามมันไม่ได้อย่างท่านถึงให้มาฝึกคิดในทางอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็ต้องคิดว่ามันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานี่กําลังเปลี่ยนสัญญาอยู่พอรู้ว่ามันไม่ดีความอยากก็ไม่เกิดอยากได้ก็ไม่เกิดใจก็เฉยอุเบกขาได้สักแต่วรู้ได้ คำถามจากอินบ็อกซ์นะคะจากคุณอัตหิอัตโนนาโถกราบเรียนถามพระอาจารย์ผู้ที่ไปเกิดบนชั้นพรมนี้ไปด้วยกำลังของฌานแสดงว่าชั้นนี้ต้องมีแต่ผู้บาเพ็ญบรารมีใช่ไหมเจ้าคะก็ทุกคนบารมีทั้งนั้นอะ่ะทานบา ร, บรามีศีลบรารมีก็ส่งให้ไปสวรรค์ชั้นชั้นเทพ ถ้าอุเบกขาบารมีเนคข ม, มะบารมีก็จะส่งไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมหรือการเจริญเมตตาพรมวิหารสีก็เหมือนกันก็เป็นการเป็นการส่งจิตให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเพราะต้องมีอุเบกขาอุเบกขาก็ต้องฝึกสติสมาธิคำถามจากเฟ e บุ o k นะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ หนูภาวนาพุโทโธไม่นานมีความสว่างตลอดอยากปล่อยคำภาวนาแล้วเกาะอยู่กับความสว่างสบายนี้บางครั้งมันมีอาการพร่าแล้วค้างกับแสงสักพักหนึ่งพอหายค้างภาวนาต่อสลับไปมาแบบนี้อาการคร้างนี้ต้องแก้ไขอะไรไหมคะอ๋อไม่ควรสลับควรจะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับแสงสว่าง พราะแสงสว่างเป็นผลที่เกิดจากพุทธโธถ้าเราหยุดพุทธโธไปอยู่กับแสงสว่างเดี๋ยวแสงสว่างก็หายไปได้ถ้าอยู่กับพุทธโธไปส่วนแสงสว่างจะอยู่หรือไม่อยู่ก็มันมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเวลาจิตสงบกว่าลึกเข้าไปแสงสว่างก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็จะเหลือแต่อุเบกขาต่อไป แค่ให้อยู่กับพุโทโธถ้าไม่อยู่กับพุโทโธมันจะหยุดตรงนั้นแล้วมันจะติดอยู่ตรงนั้นมันจะไปไกลกว่านั้นไม่ได้เหมือนกับเรานั่งรถเดินทางไปกลับบ้านเนี่ยระหว่างทางเราไปเห็นของของที่เราชอบเราก็เลยจอดรถลงจากรถไปปลอย <c oughs> เราก็จะไปไม่ถึงบ้านถ้าเราไม่ขับรถต่อไปไม่นั่งอยู่ในรถต่อไป เะนนการที่เราจะไปสู่ความสงบสู่เบเกานี่เราต้องพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุทธโธจนกว่ามันจะถึงบ้านถึงอุเบกขาเวลามันจะถึงมันก็ฟุบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็หยุดเองเอแล้วเวลานั่งฟังธรรมจะชอบหลับตาเอาจอดเสียงธรรมไม่มีพุทธโธจะสว่างตลอดบางครั้งไม่ได้ฟังแต่มีความสุขกับความสว่างคะ่ะ ก็ดีก็ดีไม่เสียหายอย่างไห น, นความสว่างก็สสำคัญอย่าไปติดมันนั่นเองเพอมันเป็นผลให้ติดที่เหตุคือมีสติอยู่กับการฟังธรรมก็ได้มีสติอยู่กับพุทธโธก็ได้มันก็จะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาบางคนก็ไม่เกิดนั่งสมาธิบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ที่จะเหมือนกันก็คือสงบแล้วเป็นอุเบกขาขั้นสุดท้ายนี่จะเหมือนกันแต่ขั้นที่จะไปถึงก่อนหน้านั้นอาจจะไม่เหมือนกันบางคนขนลุกซามีปิติน้ำน้ำตาไหลบางคนก็มีแสงสว่างนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่มีอะไรเลยงั้นอย่าไปกังวลนะอันนี้เป็นผลพลอยได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่จะได้เหมือนกันก็คือความนิ่งสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนี้จะเหมือนกันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะได้เหมือนกันคําำถามจากอินบ็อกซนะคะ <c oughs> กับเรียนถามผู้อาจารย์เวลาเรานอนภาวนาไปด้วยพอเคลิ้มเคลิม <c oughs> จะมีความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงทำให้ตกใจตื่นใจสั่น <c oughs> แต่เวลานั่งภาวนา กราบไม่มีอาการเหล่านี้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเ อ, อ่อมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาจิตมันจะรวมมันมักจะไปรวมบางทีตอนที่เราจะหลับพอดีแล้วพอมันรวมแล้วเราก็เลยหลับไปถ้ามีสติเราก็จะไม่หลับเราก็จะได้สัมผัสกับความสงบนั้นคำถามจากเฟซบ o ๊กนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์มีแต่เพื่อนที่ชอบนินทา เราควรทำอย่างไรดีและเวลาทำงานควรที่จะพึ่งอย่างไรตัวควรที่จะทำตัวอย่างไรดีเจ้าคะคือถ้าไม่คบกับเขาได้ก็อย่าไปคบนะแต่ถ้าคบก็อย่าไปสนิทสนมกับเขาคบเพื่อไม่ให้เสียมาระยาทเวลาทำงานร่วมกันต้องคบกันก็คบกันไปมีเมตตากรุณามุดิตาต่อกันแต่พอไม่มีความจาเป็น ออกจากงานก็ไม่ต้องติดต่อกันไม่ต้องโทรหากันไม่ต้องลายกันอะไรกันเออเ อ, อครบเท่าที่จําเป็นจะต้องคบะถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าคบเลยดีกว่าพระเจ้าบอกอย่าคบคนพาลเนี่ยคนนี้คือคนพาลคำถานจากคุณเดียด dot com นามสการครับพระอาจารย์เล่นหวยรัฐบาลหวยใต้ดินส่งรหัสชิงโชคนี้ เป็นอบายมุกหรือไม่ครับตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรครับขอบพระคุณครับก็อยู่ที่ว่าเราเล่นมากเล่นน้อยนะถ้าเล่นพอหอมปากหอมคอก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเล่นแบบเอาเป็นเอาตายกันขายบ้านขายช่องมีอะไรเล่นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นอบายมุกเนะี่ยคำถามจากคุณทวิชาจะเรียนท๊ จะเรียนถามวิธีแยกเวทนาออกจากกายต้องทำอย่างไรคะก็นั่งให้มันเจ็บขึ้นมาแล้วก็ใช้สติวิธีแรกก็แยกด้วยด้วยสติพอมันเจ็บเราก็เฉยเฉยพุโทโธพุโทโธไปอย่าสนใจกับความเจ็บดึงใจออกจากความเจ็บอย่าไปรับรู้ความเจ็บให้รับรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพอมันไม่รับรู้กับความเจ็บมันก็จะไม่ทรมาน แล้วมันก็จะปล่อยให้เวทนาอยู่ของมันไปตามเรื่องของมันได้ใจก็อยู่ตามเรื่องของใจคือใจก็จะอยู่กับอุเบกขาถ้ามีสติพุทโธพุทโธไปเราก็จะดึงใจให้เข้าอุเบกขาพอใจเข้าอุเบกขาแล้วใจก็จะเฉยกับเวทนามันจะเจ็บก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับมันอันนี้วิธีแยกด้วยสติวิธีที่สองแยกด้วยปัญญาอันนี้แยกอย่างถาวร ก็คือต้องพิจารณาว่าเวทนามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดที่ร่างกายใช่ร่างกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตุรู้มาร่วมมามาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้านายของร่างกายมาใช้ร่างกายาก็ต้องมีเจอเวทนาของร่างกายเป็นธรรมดาเหมือนกับคนที่ซื้อรถก็ต้องเจอรถยางแตกบ้างรถเสียบ้างามันเป็นเรื่องของที่มากับรถที่เรา ห้ามไม่ได้ถ้าไม่อยากจะมียางแตกไม่อยากจะให้ลถเสียก็อย่าไปมีลด <S 1> <S 1> ถ้าไม่อยากจะมีความเจ็บทางร่างกายเวทนาก็อย่าไปมีร่างกายแต่ถ้ามีก็ต้องยอมรับมันห้ามมันไม่ได้เวลามันมาก็รับกับมันไปเฉยๆไปอย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ปล่อยมันมาปล่อยมันไป แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บเพราะเรารู้ว่ามันไม่ทำอะไรเราเราไปกลัวมันเองเหมือนกลัวเสือกระดาษมันไม่กัดเราแต่เราไปคิดว่ามันกัดเราตัวที่กัดเราก็คือความกลัวของเราเองกลัวความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไอ้ตัวนี้แหละที่กัดใจเราที่ทำให้เราเจ็บที่ทรมานใจไม่ใช่ตัวเวทนาของน่างกายตัวความเจ็บของนั่งกายมันไม่ได้ทำอะไรเรา เพียงแต่มันเป็นตัวไปกระตุ้นทําให้เกิดตัวที่กัดเราคือความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องมาหยุดตัวนี้หยุดตัวความอยากด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่าเราห้ามความเจ็บของร่างกายไม่ได้เรากําจัดมันไม่ได้ตามได้ถ้าเรามีร่างกายมันก็จะต้องมีความเจ็บตามมาเสมอแต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหาย คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะคุณแสงเดือนเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะลูกสาวอยู่ชั้นม4ถามเราว่าแม่ยาคูที่เรากินข้างขวดเขียนว่าจุลินทรีย์ที่มีชีวิต 8,000 ล้านตัวเข้าไปจะบาปไหมหรือเปล่าอ๋อไม่บาปหรอกจุลินทรีย์มันเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้ก็มีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญ ญ, ญาณไม่มีตัวรู้ ยา น, นต้นไม้กับจุลินสีก็เหมือนกันเชื้อโลกก็เหมือนกันเชื้อโลกก็มันก็ ม, นมีชีวิตแต่มันไม่มีตัวรู้ไม่มีดวงวิญญาณมันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารยา น, นมันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรคำถามจากคุณ <c oughs> อนารายโยวิมุตติพุทโธหายความคิดหายแล้วทำยังไงต่อคะ ก็รู้เฉยๆให้สังแต่ว่ารู้ให้อยู่กับความว่างไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงของจิตในขณะนั้นคันถามจากคุณจอยนะคะพระอาจารย์เจ้าคะถ้าเราไม่เจตนาค่าสัตว์จะเป็นบาปใหม่เจ้าคะ อ, อ๋อถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่บาปอะเช่นขับรถไปสุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วชนมันตายไม่บาปนะครับ หรือถ้าเราเดินเข้าไปในสวนเนอะต้นมะมพร้าวมันหล่นทับหัวเราตายมะพร้าวก็ไม่บาปเหมือนกันหดลดได้เลยมีก็แบบ ม, มีจากคุณวันชัยค่ะสอบถามเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันครับเวลาคิดจะเห็นความคิดแต่เพลินในความคิดคิดไปเรื่อยๆเพลินลืม ลืมกายลืมใจไปทราบว่าการเพลินในความคิดเรียกว่านันทิใช่ไหมครับจะละนันทิความเพลินได้อย่างไรครับก็ต้องใช้คำบริกรรมมาหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าไปดูความคิดพอดูแล้วมันก็อดที่จะคิดไปกับมันไม่ได้ยางวิธีที่จะหยุดความคิดเพลินกับความคิดก็คือให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป ถ้าเราอยู่กับพุโทโธมันก็จะหยุดมันก็จะเลิกคิดหยุดคิดได้ yeah. ค่ำถามจากคุณนิการกราบเรียนถามพระอาจารย์หลานชายจะบวชไปไปกราบขอขามาพ่อแม่พ่อบอกลูกชายว่าไม่อโหสิกรรมให้เราก็สงสัยและถามพ่อนาคว่าทำไมไม่อโหสิกรรมให้ลูกจิตเขาจะได้บริสุทธิ์ ไม่ติดอะไรติดค้างแต่พ่อนาคบอกบวชเป็นพระแล้วลูกมันจะได้สานึกว่ามันทาอะไรไว้เลิกเป็นพระเมื่อไหร่จะเอาโหสิกรรมให้เขาคิดถูกต้องใหม่คะการาโหสิกกรรมนี่ควรจะทำ ท, ทันทีอย่าปล่ยให้มันค้างค้งอยู่ในใจเรามันเป็นเหมือนยาพิษเราต้องกำจัดมันเพราะการโกรธเกลียดนี่มันไม่ดีมันทำให้จิตใจเราไม่สบาย ยิ่งมีโอกาสอโหสิกรรมได้เมื่อไหร่รีบอโหสิกรรมไปเลยไม่ต้องรอให้เขามาขออโหสิกรรมกับเราด้วยซ้ําไปเราก o ครเกลียดใครเราก็อย่างที่เมกี้เทศในความแผ่เมตตานั่นแหละเราต้องเอาเอาภัยให้อภัยไปเลย <S <S ให้อภัยได้เมื่อไหร่ความโกรธความเกลียดความรุ่มร้อนในจิตใจก็จะหายไปทันทีเอไม่ต้องรอให้เขามาขออโหสิกรรมกับเรา คำถามจากลายหลักภาวนาเบื้องต้นของคนที่จะเริ่มภาวนาต้องทําอย่างไรคะออก็ต้องมีศีลก่อนต้องถือศีลแือถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแบบเต็มที่อยากจะหัดภาวนาก็อย่างน้อยก็ควรจะมีศีลห้าแล้วก็ต้องมีสติต้องฝึกสติพุทโธพุทโธไปก่อนที่จะมานั่งควบคุมความคิดให้ได้ในระดับหนึ่งก่อน ถ้าควบคุมไม่ได้เวลานั่งจิตมันก็จะฟุง้งจะคิดแทนที่มันจะสงบมันก็จะไม่สงบเน้นต้องมีศีลแล้วก็มีสติมีเวลามีสถานที่ที่เหมาะสมเกิดที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจถ้ายังอยู่ในบ้านก็อาจจะต้องมีห้องของตนเองอะไรถ้าปิดประตูได้ปิดเสียงได้ก็ยิ่งดีสมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศถ้า ใช้เครื่อง ป, ปรับอากาศอยู่ก็เปิดได้ถ้าไปใช้เพื่อให้มาช่วยในการภาวนา น, นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสช่วยลบกวนเสียงที่ลบกวนเพื่อให้จิตเรามีสติมีความสงบแต่ต่อไปเราสงบแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในที่ที่วุ่นวายได้ทำใจให้สงบได้แต่มันก็ยากกว่าในที่ที่สงบดังนั้นหาที่สงบที่วิเวก ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมารบกวนใจแล้วก็จะภาวนาได้ผลคำถามจากคุณอนารโยวิมุตติพอออกจากความว่างและรู้เฉยไปเรื่อยๆเราก็จเจริญสติและพิจารณากายต่อไปใช่ไหมเจ้าคะพออยากความว่างออกจากสมาธิแล้วใช่ไหมนี่ยังไงค่ะเออ ขณะที่อยู่ในสมาธิถ้าจิตว่างสงบก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้จิตว่างจิตสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะถอนออกจากความว่างความสงบแล้วออกมาคิดปรุงแต่งพอเริ่มคิดปรุงแต่งถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาก็พิจารณาายรักพิจารณาร่างกายก็ได้ร่างกายก็เป็นายรักร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำนมไฟเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนทำมาจากดินเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งมีจิตผู้ที่มาควบคุมมาสั่งการเท่านั้นเองหมดแล้วเหร อ, อ, อก็พอดีเวลาก็หมดพอดีอก็คิดว่าขอพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิเนศพิจารณาไปปฏิบัติ